สวัสดีบรรยากาศในขณะ น, นี้คือบรรยากาศที่เมืองแอดมันตันเมืองแอดมันตันนี่อยู่ในรัฐแอนเบอร์ตาประเทศแคนาดารัฐแอนเบอร์ตาลัฐเดียวเนี่ยโตกว่าประเทศไทยไปครึ่งหนึ่งเมืองแคนาดาเรียกว่ามีเพื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วก็มีน้ำตกแองการ่าที่เป็นน้ำตกที่มีเสียงใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเทอร์เบนคือหอคอยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่แคนาดาหลวงพ่อเองได้มาที่เมืองแคนาดาเพื่อสอนสมาธิให้กับฝรังได้มาเปิดโรงเรียนสมาธิ เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2542เป็นอันว่าเริ่มต้นบัดนี้ก็ได้มีก็ฝรั่งชาวแคนา เ, เดียนมาเรียนสมาธิจบไปแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนกระทั่งถึงรุ่นที่สิบมาเวลานี้ก็มี ที่จบไปแล้วประมาณเกือบ3 0 0พันคนก็ทุกคนเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้มาเป็นกำลังที่ให้หลวงพ่อได้ช่วยเผยแร่สมาธิเพราะว่าเมื่อจบแล้วเขาก็เป็นครูสอนสมาธิได้เขาเรียกว่ามาเรียน Meditation Instructor Course หมายถึงว่าหลักสูตร การเรียนสมาธิเป็นครูสมาธิอย่างนี้เมื่อเขาเรียนและเขาได้ไปสอนในที่ต่างๆแทนหลวงพ่อได้หลวงพ่อก็สามารถขยายงานสมาธินี้ออกไปได้อย่างกว้างขวางถ้าหากว่าจะให้หลวงพ่อสอนคนเดียวมันก็ได้แค่วัดเดียวหรือว่าเซ็นเตอร์เดียว แต่ถ้าหากว่ามีคนมาช่วยหลวงพ่อเขาก็จะเปิดโรงเรียนครูสมาธิได้เยอะเวลานี้ก็เปิดเป็นเจ็ดแห่งแล้วก็ฝรั่งชาวแคนาเดียนก็จะเป็นผู้ที่สอนเองก็เป็นอันว่าการเผยแพร่สมาธิได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมาย อย่างไรก็ตามวันหนึ่งวันหนึ่งร้องพ่อก็จะอธิบายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็คงจะอธิบายสรรมะคือธรรมะที่เรียกว่าความขันความอดทนขันติพลังวยะตีนังความอดทนเป็นกําลังของผู้ผบำเพ็พระถขันติเ ต, ตปุจปัเสโน ความอดทนเป็นตะวะแผดเผากองกิเลสเพราะฉะนั้นความอดทนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดความอดทนเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความสำเร็จไม่ได้เขาจะมีครอบครัวทามหาเรงคีบต่างก็ต้องมีความอดทนต่อสู้ เพื่อรักษาชีวิตด้วยการทำมาหาเรียยงชีพต่างๆหรือด้วยการทำธุ ร, รกิจเขาก็ต้องอดทนหรือเขาทำราชการข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนตลอดจงกระทั่งนักการเมืองทั้งหลายก็ต้องใช้ความอดทนความอดทนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะมองข้ามไปไม่ได้และจะต้องเข้าใจว่า ความอดทนนั้นอยู่ที่หัวใจหัวใจของคนนั้นมีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จก็จะต้องอก็จะต้องอาศัยความอดทนตลอจนกระทั่งนักบวชก็เรียกว่าผู้บาเพ็ญเพราะเกีเ่ยกวกับนักบวชนักบวชทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนอดทนต่อการรักษาศีลอดทนต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนา อดทนต่อการเทศจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาอดทนต่อการาร่รรำเรียนเขียนอ่านต่างๆซึ่งทั้งปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมและก็อดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนไม่ได้ก็จะพระภิกษุสามเณร หรือผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ต้องอดทนมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นพระไม่ได้เป็นพระก็เป็นพระไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเป็นพระขี้เกียจเป็นพระไม่มีความอดทนไม่มีความขยันก็เรียกว่าไม่สําเร็จผลประโยชน์แต่ถ้าหากว่ามีความอดทนแล้วก็สําเร็จผลประโยชน์ด้วยประการทั้งปวงแม้กระทั่ง ผู้ที่เป็นนักเรียนที่จะเรียนหนังสือเรียกว่าเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ต้องอดทนในการเดินไปโรงเรียนในการเรียนหนังสือสารพัดเท่ก็จะต้องอดทนกว่าจะจบมัธยมก็ใช้เวลาสิองปีความอดทนทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นมาในสันดานของมนุษย์ที่ต้องการความสําเร็จ แต่ว่าความขี้เกียจเมื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็ทำให้บุคคลผู้นั้นไรสมรรถภาพหาความสำเร็จมีได้สวัสดีสาธุ